สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมะ d e l i v e r รนะครับผมจตุพลชมนิต์และพระมหาสมภอรตาลปุโตโตครับนอสการ์ครับท่านครับ ไ, ได้มาอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับในวันที่6เมษายนวันจั ก, กรีของเรานี้เองนะครับวันจั ก, กรีก็คือวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับ ผสมมาวงราชาวง์จั ก, กรีนะครับสเสด็จกรีธาทับถึงพระมหานครทรงรับอัญเชิญขึ้นเถอเถลิงขวัญราชาสมบัติดํารงราชอาจักรสยามประเทศซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยของเราทุกๆพระองค์นะครับทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนมีความผูกพันกับประชาชนมีความห่วงใยแล้วก็ปกครองด้วยใจเป็นธรรมมาโดตลอดตั้งแต่อดีตการเป็นต้นมาครับในแต่หลวงองค์ประจุนรัชกาลที่9้าของเราครับพระองค์ก็ดูแลประสงคิกรชาวไทยมาเป็นอย่างดีตลอดอย่างใกล้ชิดเลย รทรงทำงานหนักอย่างมากเพื่อประชาชนมาดูตลอดเราคงประจักษ์แจ้งกับพวกเราอยู่แล้วใช่ครับแต่ท่านก็ยังใช้ธรรมะเนี่ยในการปกครองบ้านเมือง<ม>ที่พระองค์ใช้เป็นการส่วนพระองค์ด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนซึ่งชาวไทยทุกคนน่าจะนำธรรมะของพระองค์มาเป็นแบบอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทศพิตราชธรรมครับผมหลายคนเข้าใจว่าเป็นของพระราชาเท่านั้นรจริงๆผู้นำทุกคนหรือว่าคนทุกคนก็นำมาปฏิบัติได้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เป็นเรื่องสําคัญแเหมาะกับคนไทยอย่างมากแล้วก็แม้แต่ความกระตันอยู่ในหลวงก็จะเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยท่านอาจารย์ทุกท่านครับผมวันนี้เนี่ยเราจะฟังธรรมะซึ่งเราได้เรียนรู้จากพระมหากษัตริย์ของเรานะครับที่พระอาจารย์สมบ่อจะได้มาพูดให้ฟังเนี่ยนะครับไม่ทราบท่านอาจารย์ไปบรรยายที่ไหนมาครับวัะนั้นมีโอกาสไปบรรยายที่เทศบาลตําบลพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งผู้ฟังที่มาฟังนั้นก็เป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลพิมาย ซึ่งเขาก็สามารถที่จะนําแบบอย่างของในหลวงไปปฏิบัติใช้ในงานของเขาได้ด้วยเพราะว่าข้าราชการคือบุคคลที่ทํางานต่างประเทศประกันในหลวงก็จะได้นําไปใช้ในการปฏิบัติงานขงเขาด้วยโอ้ดีมากเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ธรรมะจากพระหมหาสัตย์ไทยกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญชมกัน ตเนตระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอจเจริญพรออท่านประธานท่านผู้จัดงานและสาธุชนที่ตั้งใจดีทุกท่านขอจเจริญพรสวัสดีพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับเสียงเบาเหลือเกินพวกเราชา ว, วเข้าใจโผล่หมดตัวเองดีจริงๆเลยดีใจไหมวันนี้พบพานดีใจไหมเอ่ย ต้องถามทุกที่เพราะว่าถ้าไม่เต็มใจก็ไม่มีกาลังใจที่จะบรรยายถามต้องถามทุกที่ก่อนในวันนี้ใครรู้สึกดีใจได้ามาพบพระยกมือขึ้นโอ้ยีมกันมาไล้บอกเลยนะเต็มใจจริงหรือเปล่าใช่หน้าตากับเสียงมันท่าจะไปคนลรทางทําไมวันนี้พอพระรู้สึกดีใจจริงๆริงด้วยความจริงใจเลยยกมือขึ้นเออใครเสียใจเอามือลงอย่งก็ไม่ค่อยจริงใจจริงครับถูกหัวหน้าบังคับมาทุกที่เลยอ่ดีใจเอามือลง ก็ลงได้แล้วอดีใจนั่งตัวให้ตรงๆคนเราสําคัญที่ไหนไพระพุทธศาสนาบอกไว้เป็นคาถาภาษาบาลีมโนบุพัง ข, ขามาธรรมามโนเศรษามโนเมญะมนาสาเจปุสเสนะภาสติวากโรติวะแปลว่าคนเรามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจมานั่งตรงนี้ถูกบังคับมาจะมีความสุขไหมไม่สองชั่วโมงเหมือนสองวันเหมือนสองเดือนเหมือนสองปีเลยทรมานมากแต่ถ้านั่งตรงนี้แล้วมีความสุขเราจะมีความสุขไหม มีความสุขก <Glory S 1> <the> ็ต okay. <2 creeping in January> mm ้องมีความสุขอยู่แล้วอาจารมาจะถามทําไมเนาะบางคนเจอพระ้าไม่ชอบฟองหลวยพ่อระเลยถามจริงๆพระจะรู้ไหมเหมืนว่าหน้าออกอะไรพระจะรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าพระรู้พระบอกเนรเนรบอกพระพระบอกเนรเนรบอกพระซื้อกันรวยข่าววัดเลยไม่ต้องมาบอกโยมแต่จริงๆอาตรมาก็จริงๆก็พอบอกได้นะเคืออาจารยเองก็ไม่เก่งแต่ว่าอาจารย์อาจรมาเก่งเพราะอามาเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเกลี้ยงนะถ้าเราตมาให้พระอีกแล้ว คนขอราติสงสารตัวอีกหนึ่งสองตัง 1, 2, เออเป็นลูกศิษย์น้องพ่อเสียงอยู่วัดเขากินเรียบไปสื้อสางชีวิตจะได้เจริญ น, นะต้องเหนื่อยด้วยความของเราอาจารย์พยองบอกไว้ขยันจนเหงื่อไหลออกทางรูขุ้มขนดีกว่าขี้เกียจแล้วยากจนจ น, จนน้ารถออกกางดาเห็นไหมคนเราต้องขยันไปสวนโมกเมื่อวานนี้ที่สุราษฎร์ธานีเหงื่อคือน้ํามนเหงื่อของเรานี่คือน้ำมนนะใช่ไหมนี่พามาบอกไห้กันยม เราทำงานเหน็ดเหนื่อยมันคือน้ำมวลของเราทำให้ชีวิตเราจะเดินรุ่งเรืองเอาล่ะเดี๋ยววันนี้จะมีความสุขในการทำงานคนจะมีความสุขในการทำงานจะต้องมีสติก่อนกิจกรรมกิจกรรมนี้ชื่อว่าเกมญาติโยมต่างๆพาเล่นเกมเลยเกมเกมนี้มีกติการง่ายๆคือทำมีคำว่าญาติโยมขึ้นก่อนแล้วตามด้วยกิริยาอะไรก็แต่ให้เราทำถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องทำมีคำว่าคุณโยมจึงเสียงเบาเจรินมีคำว่าคุณโยมจึงไม่มีไม่ต้องมีคำว่าคุณโยมจึงไม่มีไม่ต้องเข้าใจหรือยัง อ้าเข้าใจแล้วยืนขึ้นเลยไม่ต้องขอบคุณช่วงนี้เล่นเกมเอา้าวมีคมาําว่าคุณโยมไหมอา้าวไม่มีแล้วลุกทาไมเนี้ยาตายแล้วตายแล้วต้องกอดแวดเล่นนะเออแสดงว่าไม่ได้ฟังกันมาเลยแสดงว่าเดี๋ยวต้องอธิบายภาษาอังกฤษก็แ ล, ล้วกันคือมีคำว่านักเรียนในชะ่ไหมคือมีคมาําว่าคุณโยมถึงก่อนนะแล้วตามด้วยจี๊ยากอย่างกระซางเหนียวเฮ็ดถ้าผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมีขึ้นซับไตเติ้ลให้นะอันมามีคำว่าคุณโยมเอบบอต้อง เหตมีคำคุณโยมเขาจังเหตุตมีปะตอ้องเข้าใจบอเข้ า, าใจแล้วเอ้าเข้าใจแล้วคุณโยมยื่นโอ้อธิบายเข้าใจง่ายกติกาข้อทีส่สองบ้านเมืองเราต้องมีกติกานะบ้านมีกฎบ้า น, มนมเมืองมีกฎเมืองประเทศมีกฎของประเทศเราจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายได้ไหมไม่ได้เราต้องรู้กฎหมายของทุกที่ไม่รู้ก็ถือว่ารู้อ่ะแล้วเรามาทำตามกติกา ก, ก, ะ ก, ะ ก, ะกะันกติกาข้อที่สองไม่มีว่าคุณโยมแล้วเราไปทําแสดงว่าเราทําผิดถ้าเราทําผิดถ้าเรานั่งลงทันถ้าเรานั่งลงทัน อันทีเลยกฎกติากาขา้อที่สามไม่ต้องฟ้องคนสูงคนเตีย้ยคนนำคนเก่าคนพูนคนผอมไม่ต้องฟ้องถ้าใครทำผิดเขาจะนั่งลงเองเพราะว่าเขามีความเซื่ อ, อมีความเซื่ อ, อบ้านเมืองเราต้องการคนซื่ อ, อเพราะถ้าเราไม่เซื่ อ, อเราจะกลายเป็นเราจะกลายเป็นสัตว์ที่ไม่ประเสริฐปีนี้หนึ่งรอยหนึ่งปีหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกเอาไว้เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนนายุงมีดีที่แววผลถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมา ฉะนั again, right ้นเราตรงเป็นมนุษย์ผ <wiet> <She> ู <Wide> ้มีใจสูงมนุษย์มาจากคาสองคำลงกันมนะแปลว่าใจอุตสยาหแปลว่าสูงลงกันเป็นมนุษย์แปลว่าผู้มีใจเอาล่ะทุกคนอีกครั้งมีคาว่าคุณโยมแล้วจึงทําไม่มีไม่ต้องทําผิดธรรมพลาดนั่งลงทันและไม่ต้องค้องใครทําผิดเขาจะนั่งลงเองเพราะว่าเขามีความซื่อยิงพีมไม้เดียวเจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์ทุกคนทุกคนคุณโยมั้องมาต้องคุณิยมยกมือขวาขึ้นโอ้ามือลงเชิญนั่งครับตอนเอามือลงมีคําว่าคุณโยมไหม ไม่มีเลาลงทํำไ ม, อมเอาอย่างนี้แล้วกันเพิ่งเริ่มเล่นเกมแค่สองวินาทีก็แพ้แล้วมันเป็นการทําร้ายจิตใจกันอย่างแรงเดี๋ยวหาว่าแหม่คนคนรายด้วยการคนชุมพวงชุมพวงไม่ให้คนโอกาสคนที่ใหม่อาแฟงๆเลยอาทั้งหมดยิงเกินขึ้นอีกครั้งหนึงอาคุณโยมเามือลงต่อมาคุณโยมต้องมาต้องคุณโยมโยมมือขวาขึ้นเอามือลงยัง เ, เจ้าลงอีกเดินนั่งเลยขึ้นนั่งเลย ในหลวงบอกว่าให้โอกาสคนถึงสองครั้งแต่อย่าให้ถึงสามสองครั้งพอแล้วโอเคเอามือลงเชิญนั่งครับโอ้โหบางคนเจ็บใจมากเลยเคุณย้อมเอามือลงคุณยมอมอย ม, อมือขยายขึ้นยกมือขวาขึ้นด้วยเชิญนั่งครับก็สองมือมันเป็นอาการของคนยอมแพ้อ ย, อยู่แล้วคุณยอมเอามาลองนี่ยหาว่าเรากำลังสบายจยปลดมือพันเชิญนั่งครับมาตบปั๊บรู้ตัวเลยโอเคคุณยอมขวาหัน เอออาจจะแคบนิดหนึ่งไม่เป็นไรตายหันเชิญนั่งเชิญนั่งคนย่องขวาหันทางโ้นอ้ยงคนตายเพาซ้ายขวาว่าผู้สมัครผู้ใหญ่จะตายก็าซ้ายขวานั่นแหละคย่องขวาหันขวาหันคนย่องขวาหันย่อมปมมือหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเชิญนั่งครับ ไม่ได้หน้าที่เราเนี่สติแล้วก็มีตลอดผิดพลาดแจ๊กเดียวนี่โอ้ตกบอทํางานได้นะไม่ได้เลยเออไม่ศูนย์ผิดหนึ่งตัวในการจะแเสียนกายเป็นล้านเลยคุณยมอมยกมือขวาขึ้นคุณยมบอกมืออ้สติดีคุณยมบอกมือแรงๆหยุดอ่าเชิญหน้ากันคุณผู้ชมทำบานเ น, นี่ยนะบอกไว้บอกไว้บอกไว้บอกไว้โอ้เมากเก่งมากเก่งมากเก่งมากคุณยอมหยุดยกมือเำาะไรต่ออ่อา พย อ, มมามาอง็มาต้องโอ้โหเก่ง okay. โอ้โหถือว่าเหลือเยอะน่าจะไปที่อื่นตายไปแล้วนี่ถือว่าเป็นไม้เด็ดแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันต้องตกใจเอพยองเดินมาข้างหน้าเดินมาหาอาตาาเดินมาข้างหน้าเลยเดินมาครับเดินมาตกกลางเลยครับยอเดินมาเร็วมองอาตาลยพยอมเดินมาเร็วยองเดินม า, า, า, มาเร็วหยุเดเอาของพยองนั่งกับพยอด้วยเกิดนั่นงนนนนนนเออินั่งเินั่งนี่มองขนไม่หยุดได้ยังไงเจ๊กเลยเหน็บหน้าเลยเกมเมื่อสักครู่นี้ให้อะไรพยอ มีสติสุดยอดเลยสติเป็นสิ่งสำคัญมากก็บอกสติมาปัญญาเกิดสติตะเลิจะเกิดปัญอาจารย์พยอมอ่ะสติตะเลิดเกิดปัญญาเลยลพ่อพยอมบอกไว้สติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดจะเกิดปัญสติดีมีสตางสติห่างสตางไม่มีสติดีผีจะลบสติตกตมักจะพบกับเออเห็นไหมสติมาหมาไม่กัดสติตกตัดมักจะกัดกับงคนขาดสติมาทะเลาะกับโมกบาลคนขาดสติเช่นคนอะไร คนเมาไปสวนโมกก็จะมีภาพว่าเป็นเป็นงูหกหกหัวแล้วมีพยากุเนี่ยคล้ายพยานาคนะพญานาคหกหกหัวแล้วก็มีคุดจับอยู่แล้วก็มีเรืออยู่แปดลำมีคนตกน้ําไา้น้ําแล้วมีคนอยู่บนฝั่งพยายามเรียกคนนั้นขึ้นมาหมายความว่าอะไรรู้ไหมหมายถึงว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัส ถ, ถ้าเราไม่มีตามีปัญหาไหมพี่นุ่มถ้าเรามีตามีปัญหาไหมเพราะอะไรจะมีปัญหามองไม่เห็นนี่คิดแบบทางโลกถ้าในทางธรรมภาษาธรรม ถ้าไม่มีตาไม่มีปัญหาเพราะถ้าตาเรามองเห็นสิ่ง น, นั้นสิ่งนี้ชอบใจไม่ชอบใจเราเกิดสุขเกิดทุกข์ใช่ไหม <c oughs> เจอผู้หญิงสวยๆถ้าเราชอบมีความสุขไหมมีความสวย <c oughs> เจอผู้หญิงขี้เลยขี้เลยโอ้โหหน้าตาเป็นอาวุธมากเลย <c oughs> เกิดมาเโอ้โหเห็นหน้าตาเนี่แต่ก็อือจะตายแล้วเกินเลย <c oughs> มีความทุกข์ไหมมีความทุกข์ฉะนั้นภาษาพระนิตถ้าหลักตาเขาเรียกว่าให้สํารวมกายวาจาใจสํารวมอินทรีย์สองวรเขาเรียก แล้วเราจะไม่มีความทุกข์มันอยู่ที่ตาเราโูเราได้ยินสิ่งที่ชอบใจเรามีความสุขได้ยินสิ่งไม่ชอบใจมีความสุขไหมไม่มีความสุขเหมือนกันเรือแปดลำหมายถึงอริยมรรคีองแปดสมารถจิตความเห็นชอบสัมาวาจาวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบอาชี พ, ชชพต้องสุจริตมีความสุขยิ่งเป็นอาชีพที่มอบความสุขให้คนอื่นมันยิ่งดีพะโยมหลักของในหลวงเอามาใช้เลยนะพะโยมนะเพราะสัพพิทจะทําเป็นธรรมะของบัดเด็พระเจ้าอยู่หวัวในหลวงพระองค์เดียวไหมเราเอามาใช้ได้ไหม ได้หนึ่งทางคือการให้ของเราแหละให้การช่วยเหลือให้การดูแลทําหน้าที่ของเราการให้ไม่ได้หมายความว่าให้นาฬิกาให้บ้านให้รถแต่เดียวนะให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้การช่วยเหลือให้บริการต้องมีรวบรวมกันนะไม่ต้องเป็นพ้อๆหรอกการให้ศีลอันนี้ก็สําคัญทานศีลศีลหมายความว่าปกติกายวาจาให้เรียบร้อยพูดกับเขาดีๆแสดงออกกับเขาดีๆมีศีล นี่เขากว่าคนมีสีนนะแา่คนกระโชกพวกข้าวโอโ้โหอารมณ์ร้อนเนคนไม่มีสีนะนะสามบริจาครับก็คือการบริจาคการเสียสละการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตอนนี้ประเทศเราต้องการมากๆเลยประเทศเราต้องการมากๆเลยนะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไปอาชัชวะในภาษาบาลียากจังเลยอาชัชวะหมายความว่าความซื่อตรงมั่นคงความซื่อสัตย์อันนี้สําคัญมากซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน ไม่คดเอาไว้ทำขอเหล็กงอไว้ทำเคียวแต่คนคด อ, อย่างเดียวทําอะไรไม่ได้เห็นไหมโกงบ้านโงเมืองมากมายก็โอ้สุดท้ายสิ่งที่ไม่ใช่ของเรามันจะไม่ใช่ของเรามันต้องเป็นของคนอื่นอยู่ดีถึงเราจะไปเคยได้มาก็ตามสุดท้ายก็ถูกที่เกิดตัวอะไรมากมายเห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันฉะนั้นพอใจในสิ่งที่ตนเองมีมีเท่าไหร่พอใจเท่านั้นที่ในหวงบอกว่าพอเพียงเนี่ยนั่นเราก็จะมีความสุขต่อไปมัทภวะความอ่อนน้อมสุภาพอ่อนโยน ในหลวงของเราเนี่ยสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนสุภาพเกินกว่าพวกเราที่ซ้าไปต่อไปอโกทะความไม่โกรธอย่าทําอะไรด้วยความโกรธบ้านเมืองเราบางทีเอาสะใจเอามันเพราะว่าเชียร์ข้างนั้นเชียร์ข้างนี้สุดท้ายใครเดือดร้อนประชาชนเราเดือดร้อนประเทศเราเดือดร้อนเองเราจะต้องอโกทะทําทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลที่เหมาะสมต่อมาเอาวิหิงสาไม่เบียดเบียนเรามีโครงการอะไรแต่ละอย่างต้องไม่เบียดเบียนประชาชน ในหลวงนี่พระองค์ทําอะไรแต่ละอย่างไม่เบียดเบียนประชาชนนะจะให้เขาเลิกปลูกฟินไปจับเขาขังคุกเลยไหมไม่หาอาชีพใหม่ไปให้เขามีอาชีพแล้วแต่ไม่มีพื้นที่อหาพื้นที่ให้ไม่มีน้ำํำหาน้ําให้ไม่มีความรู้หาความรู้ให้กว่าจะเปลี่ยนอาชีพเขาได้ต้องอดทนต้องไม่เบียดเบียนประชาชนทุกโครงการเราถ้าจะมีอะไรกระทบก็ต้องดชดเชยให้เขาส่งน้ําสมเนื้อสมเหตุสมผลต่อไปขันติความอดทนอดกลั้นอันนี้สําคัญมากเหมือนกันพระโยม พระบาทมเด็พเจพ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างของความอดทนอดกลั้นอย่างดีมากๆนะเราเห็นมาตั้งแต่โอ้โหหกสิบปีที่พระองค์ครองราชมาอดๆๆๆๆทนอดกลั้นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อเลยนะพระองค์บอกว่าทําให้เขาดูก่อนเมื่อเห็นผลได้ผลแล้วเขาจะมาทําตามเรานในดวงของเราเห็นไหมสุดท้ายคุณโยมอวิโรธะความไม่ผิดไม่ผิดคืออะไรจะทําทอะไรต้องตไตรกองพิจารณาให้มากประโยชน์ของประเทศชาติต้องไข่ครวน ต้องใจตรองอยากเอาประเทศชาติไปเสี่ยงอยากใช้ความคิดของตัวเองคนเดียวล้วตัดสินใจต้องคุยกับคนมากมายถ้าเป็นข้าราชการผู้หลักผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองต้องถามความเห็นประชาชนต้องถามหลายๆด้านให้ครอบคลุมข้อได้ข้อเสียของประเทศเรานี่คือทศพิษราชธรรมที่ประชาชนอย่างเราข้าราชการข้าราชการแปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยข้าของแตนยิ่คนทํางานต่างประเทศะกันในหลวง สมัยก่อนใ น, ในหลวงพระองค์ทำเองหมดเลยสมัยสมมูลนิยานาสิทธิราชสั่งการอะไรทุกอย่างทาเองทุกวันนี้เป็นรประชาธิปไตยเราทํางานต่างประเทศแลกันในหลวงทําแทนในหลวงฉะนั้นทุกครั้งที่เราทําดีในหลวงอยู่กับเราทุกครั้งที่เราทําไม่ดีแสดงว่าในหลวงไม่ได้อยู่กับเราแนละ้วต้องนึกถึงให้มากนอกจากเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งพระองค์ได้ประธานราชนํารบี แนวความคิดนี้แม่คนไทยก่อนสามสิปีมาแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องน่ารักน่ารักที่พระองค์ยังมีกับประชาชนอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเจริญอนก็ตลอดเวลาที่ท่านทรงครองราชมา60ปีนะครับพระองค์ก็ทรงงานตามพื้นที่ต่างๆมากมายก็เลยเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายหลากหลายเลยซึ่งอาจารย์วิลาศมณีวัฒน์ก็ได้รวบรวมเรื่องราวของพระองค์ไว้ในหนังสือชื่อว่าพระราชารมขันของในหลวงหลายค น, นี่โดยเฉพาะเราท่านท่านหลายท่านก็ไม่รู้มาก่อนครับอาตมานี่ชอบเรื่องนี้มาก ก็ ร, รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พระองค์ใกล้ชิดเราเข้ามาอีกแล้ว ร, รู้สึกว่าหรือเราได้ฟังเรื่องนี้มีความสุขเรื่องพระราชดำริขันของพระองค์ก็ลหลายคนไม่รู้มาก่อนอาตมาก็ได้อ่านแล้วก็ได้นำเรื่องนี้มาประกรอบอามาประกรอบการบรรยายครับใครั้งนี้ด้วยครับ<น>ยังลองยกตัวอย่างจากเรื่ององะไรกัน เรื่องที่ประทับใจมีหลายเรื่องครับอย่างเรื่องที่อาจรมาชอบก็คือเรื่องของการใช้ราชาศัพท์คนในกรุงเทพในป ร, ริมณฑลแทบบางทีใช้ราชาศัพท์ไม่คล่องพูดผิดพูดถูกใช่ครับนาหลายคนเลยพดูดผิดผิดถูกๆมากมายมแต่มีครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จไปต่างจังหวัดซึ่งคนต่างจังหวัดไม่น่าจะใช้ราชาศัพท์คล่อง <c oughs> แต่กลับใช้ราชาศัพท์ได้คล่องแคล่วมากเ <c oughs> พาะยาค่ะเสด็จไปนั่นไปนี่สเสวย น, นั่นสเสวยนี่ในหลวงก็ทนไม่ไหวก็เลยถามเออเธอเคยเข้ารู้เข้าวังที่ไหนหรือเปล่าทำไมเธอเธอใช้ราชาศัพท์คล่องเหลือ เขาก็เลยอ๋อหาไม่ได้พระเจ้าค่ะคือข้าพระเจ้าเคยเป็นไดน เ, เก๋าเมา่อก่อนพ อ, อดีตอนนี้แก่แล้วเล่นได้เกี๋ไม่ไหวก็เลยมาทําไร่ทําสวนแต่ชอดเด็ชไม่ได้ตรนั้นท่านอาจารย์เจตุพลชอดเด็ชใ น, ปป น, ในลวงเหลือไปเห็นนกอ๋อนั่นนกอะไรมีกี่ตัวอ๋อมีอยู่3พระองค์พี่ค่ะ พอดีพระมเหสีมันวินหนีไปทิ้งเพระรถไปสองพระองค์<อ>ทิ้งให้พระบิดาเลี้ยงแต่ผู้เดียวดูสี่พระจักรพรรดิพระองค์เล็กจกังสะเอ้าแแอ้ยออูเลย <c oughs> ผู้ที่ติดตามในหลวงไปก็โอโ้ยิ้มอมยิ้มันไหนขนาดในหลวงพระองค์ยังแย้มประกสนิยังยิ้มด้วยเล <c oughs> ยเนี่ยเป็นความประทับใจที่สุดขึ้นครับผมเรื่องอย่างนี้มีอีกเยอะเลยนะครับในการบรรยายของพระอาจารย์นะครับ <c oughs> เราจะไปดูเรื่องเหล่านี้กันในช่วงนี้แหละครับเช่นครับอ้าวเวลาเราใส่เสื้อเหลืองมากมายเห็นในหลวงเราคิดถึงใคร คิดถึงใครใส่เสื้อเหลืองคิดถึงใครคิดถึงเรื่องอะไรของในหลวงความดีอะไรอีก <S 2> <S 2> เศรษฐกิจพอเพียง <S <S อะไรอีกพระราชกรณีกรยกิจใส่เสื้อเหลืองคิดถึงเรื่องความดีในหลวงอาสมาคิดถึงเรื่องนี้ก่อนในหลวงพระองค์สูงส่งมากเป็นกษัตริย์ของประเทศเราแต่พระองค์มีความเป็นกันเองสูงมากเคยอ่านหนังสือพระราชอารมณ์ขันของอาจารย์วิราชมณีวัดไหมโอ้โหพอเอาสมัยนูมนก็เคยทรงอรสติก้าบ้าง เล็กๆน้อยๆนะพระ อ, องค์ก็ไม่ได้ทรงนานแล้วนะพอเอาสิก้าใส่พระโอษฐ์ป๊อมาหาดเล็กทล้า ม, มาเลยขอถวายพระเพลิงพระยาบ๊องคนอื่นเหงื่อแตกเหงื่อแดนมาเลยพรยังรุ้อยู่วในหลวงจะว่างไงพระ อ, องค์บอกอยัง้งเรายังไม่ได้จะมาถวายพระเพลิงเราซะแล้วโอ้โหคุณน้อมตืนต่นเต้นนะว่ากันไม่ได้ระดับนายแพทย์ด็อกเตอร์ไปรักษาผิวหนังในหลวงก็เป็นผิวหนังได้บ้างเนาะชำนาลารักษาโรคผิวหนังแต่ไม่ชำนาญราชสำ ถามอาการในดวงเอออ่าเอออะไรเป็นทางไหมเอออ่ะเออทรงพระคันมานานได้ยังไม่ได้เลยทรงพระคันเลยด้วยใช้อะไรนะในดวงบอกคุณหมอเราไม่ใช่ผู้หญิงเราจะไปท้องได้ยังไงเอา อ, อย่างงี้คุณหมอไม่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวมาคุยภาษาอังกันก็ได้แล้วคุณหมอก็สบายใจคุยภาษาติดกันสบายใจเลยสมเด็จพระเทพพระราษฎรสุดาเสด็จไปในตลาดไปเจอแม่ค้าขายปลาก็ถามแม่ค้าปลาขายยังไงจ้า แขกขากรทุนว่าอ๋อตัวที่ไหว้ไปไหว้มาที่ยังมีพระชนอยู่กิโลละร oh, ้อยเพค่ะส่วนตัวที่สิ้นพระชนแล้วกิโลละห้าสิบเพคค่ะอืคนเราน่ะแปลงมากคนกรุงเทพคนในเมืองเตืนเต้นมีคนโคราชจะุฬาลงกรณ์จังหวัดเรากลับใช้ราชาสักคล้องมากเพราะอยาขอเสด็จไปนั่นไปนี่สวยนั่นสวยนี่คล้องมากในหลวงทนไม่ได้ก็เลยถามนี่เธอเคยเข้ารั้วเข้าวังที่ไหนหรือเปล่าทําไมใช้ราชาสับคล้องเหลือเกิน อ๋อคนนั้นก็ถอนใจเลยอ๋อหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเคยข้าพระพุทธเจ้าเคยเป็นนิกเกเก่ามาก่อนพอดีตอนนี้แก่แล้วเล่นนิกเกอไม่ไหวก็เลยมาทําไล่ทําสวยชอตต็อนเด็นไม่ได้อยู่แน่งนคนโยมช็อนเด็นยยตเป็นหวงเหลือกไปเห็นนกเอ้านั่นนกอะไรมีกี่ตัวอ๋อมีอยู่สามพระองค์พขาอย่างไรพอดีเก่าห้องมากเลยพอดีพระมเหสีมันวินหนีไปทิ้งพระเรถไปสองพระองค์ดูสิพระเจ้าข่ะพระเอรถของเล็กยังตัดต้อแอร์อแอ อ, อยู่เลย อะไรจะคล่องขนาดนั้นบุคคลพระราชบริพารที่เสด็จตามไปดนะ้วยเนี่ยโอ้ยิ้มหัวเราะกันใหญ่แม้กระทั่งในหลวงมีทนไม่ไหวพระ อ, องค์งแย้มปะสวนนะแม่พระฤกเกกอบร่องมากช่างสองคนไปซ่อมผ้าไปดานวางสวนจินดาดาวางในหลวงบ่าผ้าไปดานก็สูงคนหนึ่งก็จับบันไดยอยู่คนหนึ่งก็เงยหน้าซ่อมผ้าไปดานในหลวงก็เสด็จพระราชาดาเนินมาตรวจจีมีคนซ่อมวางโครงพอเสด็จเข้ามาคนที่จับบันไดเห็นในหลวงก็ปล่อยมือก้อมกาบป้าเลยในหลวงกลัวคนทั้งหมดตกก็เลยจับบันไดแทน ต้องวนทำงานดีมากเหมือนพนักงานที่นี่ไม่สนใจกันเลยเงยหน้าอย่างเดียวซ้ายนายอ่ะซ้ายซ้ายซ้ายมาก่ปควาไปขวาขวาขวาวันนี้นึกเอกใจเอ๊ะทำไมลูกน้องทํางานดีเหลือเกินพรปกติสั่งซ้ายเปนขวาสั่งขวาเป็นซ้เป็นนึกเอกใจก้มหน้าลงมาโอ้โหในหลวงคือเข้าล่างตกใจรูดปุ้ดลงมากราบเลยในหลวงตรัสว่าขอบใจนะที่ชมมาใช้ได้แถมจะเลื่อนท่านให้เราเป็นช่างด้วยชาว บ, บ้านที่หัวหินประจวบคีรีขันกํลาลังทําสมด้วยความสนุกสนานพรุ่งนี้ในหลวงจ ะ, สะเสด็จเป็นทาง่าร มีรถยนต์ตัหนึ่งในหลวงของเราเหมือนรัชการที่ห้าเสด็จประพาส ต, ต้นแต่งพระวรากายสบายๆพอขับรถมาคนหนึ่งอยู่หน้าซุ้มพอรถผ่านมาปักโบกรถเลยไหนน้องจอดซิเออดูหน้าหน่อยหน้าตาคุ้นๆใส่แว่นด้วยแต่จับไม่ได้ครับวันนี้อย่าพึ่งรอดได้ไหมครับพรุ่งนี้ในหลวงจะเ ส, สด็จเป็นทางการอยากให้ในหลวงรอดเป็นคนแรกวันนี้พี่อย่าเพิ่งรอดได้ไหมได้ไหมครับได้ครับได้ค แ, แล้วก็ขับรถอ้อมไปด้านขวาครับไม่รอดจริงๆด้วยครับ เช้าวันต่อมาผู้ว่าตำรวจทหารนายกเทศบาลโอ้โหเจ้าหน้าที่ในเทศบาลเต็มไม่หมดเลยคนนี้เขาก็ยืนเข้าซูมมันเป็นความภูมิใจของโมตะกูลเขาอยู่แล้วรถกำลังจะผ่านไปก็เสด็จมาคนนี้เขาคล้ายข้า้านแล้วจได้คุคุณแต่ว่าเขาไปข้าพานไม่จำอะไรก็าไปได้เลยพอขับรถมารถจะค่อยจอดแต่จะค่อยๆเลื่อนลงมาในหลวงยื่นพระพักออกมาวันนี้เราเป็นในหลวงเรารอดได้ไหมไ้ยังมีก็เรื่องอะไรนะ กระเท้าเดือดนิดหน่อยเนีนะเห็นไหมว่าพระองค์เป็นกันเองคนเราตกใจไม่เป็นไรพูดทูลเสียใจในหลวงตกใจไหมเพอพระองค์นี้เป็นกันเองมากไปภาคเหนือบ้างโอ้โหัวหน้าเผาชาวเขาเอาเล่ามาถวายเป็นธรรมเนียมเกลีวเก่ า, กามากเถิดมากๆในหลวงก็ไม่ได้ชอบเสวยหรอกแต่เขาถวายก็หึงกันอะไรอยู่พอพระองค์จะสวยคนใกล้ชิดพระองค์เป็นห่วงพวกเรากายพระองค์ก็เลยไปนคนถามพระองค์เบาๆอาพระองค์ทําทีเป็นเสวยแล้วส่งไปข้าพระเจ้า เดี้าพระเจ้าทีจัดการเองไม่มีเจตนาอะไรเพราะฉะั้นผมเป็นห่ ว, ให ว, ใหวงในหลวงในรลวงก็ได้ได้หัวเขานี่เล่าให้ปั๊บแก้วเก่าๆตอนนี้เคอะแทนที่จะยืดในพระองค์กลุบเดียวหมดเลยแล้วหันไปจัดแอลกอฮอล์แรงดีเชื้อโรคตายหมดแล้วในหลวงของเรามีความเป็นกันเองคนอยู่ใกล้สบายใจดรสมเตอร์สมักันติเวชคุณท่านเล่าให้ฟังทางช่องสิบเอ็ดเราอาตมาฟังคือคือทางช่องสิบเ็นะเดือดจะมาไปนั่งฟังไม่ได้ไม่ได้มาเล่าให้จะมาฟังไม่ได้รับเขียนขนาดนั้น ใครก็ได้ฟังนั้นนะถ้าอยู่ช่องสิบเอดวันนั้น<ม>ก็บอกว่าท่านนั่งหน้าตาห่อเหี่ยวอยู่ในหลวงเสด็จมาก็ถามว่าท่านสมเอตเป็นอะไรเออพอดีรู้สึกท้อแท้ใจเพราค่ะทําโครงการอะไรก็ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายคนยังไม่ไเข้าใจเท่าไหร่รู้สึกท้อใจในหลวงก็ตรัสว่าท่านสมเอตท่านเคยเห็นเหล็กที่วางอยู่เรียงรายตามพื้นตามบ้านตามอะไรไหมถ้าเราอยากได้ให้เหล็กนั้นมันเป็นดาบที่สวยงามเราก็ต้องออกไปหลอมไปผ่านความร้อน ถ้าเหล็กนั้นมีชีวิตผ่านความร้อนความอะไรก็คงทรมานมากโอ้โหร้อนแล้วเกินเหนื่อยแล้วเกินหนักแล้วเกินใช้ค้อนหนักๆทุบๆให้เป็นรูปร่างโอ้โหถ้าดาบนั้นมีชีวิตก็คงจะต้องเจ็บต้องปวดต้องเหนื่อยมากเหมือนกันกว่าจะมาเป็นรูปร่างของดาบที่สวยงามอยากให้สวยงามต้องเอาอะไรเล่มๆเด็กเล่มๆกว่าไปขีดไปเขียนรูปลายถ้ามีชีวิตก็คงเจ็บหนักหนาสาหัสเหมือนกันนั่นหมายความว่าหากเราจะเป็นข้าราชการที่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิต เราต้องผ่านอุปสรรคความร้อนความหนักความเหน็ดความเหนื่อยจึงประสบความสาเร็จได้หากเราไม่ผ่านความร้อนความเหน็ดเหนื่อยความหนักอย่าหวังว่าเราจะประสบความสําเร็จและเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ได้ธรรมะของในหลวงอีกเรื่องนี้น่าสนใจมากคือเรื่องของความกตัญญูครับเชื่อได้ว่าในหลวงของเราเนี่ยทรงดูแลสมเด็จยา่าเป็อนอย่างดีเลยครับใช่ครับก่อนจะเข้าเรื่องธรรมะกันขอถามท่านอาจารย์จตุพรก่อนแล้วกันครับท่านอาจารย์จตุพรเนี่ยดูแลคุณแม่ยังไงบ้าง ตอนนี้ก็เลี้ยงดูอยู่ที่บ้านครับอืยู่กับคุณพ่อน่ารัก2คนตาลเหยงยากไหมคุณแม่งองเงี้ยไหมไม่ครับก็เงียบเงียบครับเงียบครับทานได้กินอิ่มนอนหลับก็หลับเลยครับผมอย่างอาตมาถ้านึกถึงแม่นะยะตาเนี่ยนะครก็ฉายาตาลับปุโตหลายคนแปลกใจก็ตาลันี่ก็ชื่อตาชื่อแม่ปุโตนี่แปลว่าลูกตาละปุโตลูกยะตาถ้าจะพูดถึงแม่เนี่ยอามาจะพูดถึงเรื่องภาพแล้วจะสนุกโอจะตานให้เขาแบบ คลาสสิกมากเวลาเขาจะบอกอะไรเนี่ยเขาจะบอกเป็นตัวกับพ่อเราได้โดยใกล้ๆเป็นเนีนเล็กๆเนี่ยเห็นเนีนลูกคนนั้นส่งเงินมาให้แม่เจ็ดน้อยสมเด็จมองเราเล็กน้อยเราก็พอจะรู้ด้วยสัญชาตญาณว่าเดือนจันหมถึงอะไร่เขาจะว่าส่งให้เดือนละ500้ออะไรบ้างจริงๆส่งได้ใช่ไหมท่านส่งได้เพราะว่าพระเจ้าเอือญาติครับพระบินทบาทมาห้ามคนอื่นชั้นก่อนจินก่อนเรากลับมบัตรเลยยกเว้น2คนก็คือพ่อกับแม่เพราะพ่อแม่ถือว่าไฮคาสกับลูกอีกพ่อแม่เป็นพระอรหัน์ แต่เราไม่เป็นพระธรรมดาพ่อแม่เป็นพระอาหารฉันได้เป็นพระเหมือนกัน หยิบกินก่อนได้เลยได้เลยพระพุทธเจ้าจะอนุญาตต่อไปในเดิมครับผมความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับคนที่เป็นคนกตัญญูไม่ลืมโรงเรียนเก่าไม่ลืมบ้านเกิดไม่ลืมผู้มีพระคุณไม่ลืมพ่อแม่จะเป็นคนเจริญทุกคนครับท่านเจริก่อนใช่ไหมครับดันั้นในหลวงในทรงเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆในเรื่องของความกตัญญูอัตมาจะเน้นย้ำเรื่องนี้ทุกครั้งเวลาเพบรรยายมไม่ว่าเขาจะนิมนต์เรื่องอะไรก็ตามนะสุดท้ายต้องจบด้วเรื่องนี้ Oh. ในหลวงกับความกระตัญยูที่มีต่อสมเด็จยา่าเรามาดูครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้น่าสนใจทีเดียวครับว่าความกระตัญยูของในหลวงของเราเป็นแบบอย่างที่ดีของคนไทยมาโดยตลอดมีอะไรอีกบ้างเชิญครับอคนเราจะมาส่งความสำเร็จคนโยมต้องมีสองอย่างจำไว้เลยนะหนึ่งมีโมเดลคนยมมีรูปแบบให้เรียนแบบอาตมาจะยกตัวอย่างของบุคคลที่เป็นรูปแบบที่ดีที่สุดในประเทศไทยในหลวงของเรา ท่านพระเอภพิเศษตองําได้เขียนไว้ในหนังสือหยุดความเลวที่ไล่ล่าคุณตอนมหาราชายอดกจตนอยู่ไว้ว่าในหลวงเวลาเสด็จไปไหนพระองค์จะเดินประคองสมเด็จย่าเดินประคองแม่ตลอดขออนุญาตใช้พูดง่ายๆให้เราเข้าใจง่ายนะพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดที่เป็นหนมียอดใหญ่ที่สุดในประเทศเราเพราะเป็นระราชา จะเด็นไปไหนเดินประคองสละยาตลอดเดินประคองแม่ตลอดเลยพวกบอกว่าตอนเล็กๆแม่หัดให้เราเดินตอนนี้แม่แก่แล้วเราจะประคองแม่เดินเองหลายคนพอเติบโตมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงส่งขึ้นมานก็ไม่อยากจะประคองแม่แล้วอาจจะกลัวย่เสือ่อมอาจจะกลัวหลายสิ่งหลายอย่างไม่ต้องกลัวสิ่ง น, นั้นเพราะในหลวงทําให้ดูแล้วว่ายิ่งเราดูแลพ่อแม่ดีเท่าไหร่ เราก็ยิ่งเป็นบุคคลที่จเจริญด้วยยศ ด, ด้วยความดีมากขึ้นเท่านั้นพระองค์อยู่วังสวนจิตตะดาสมเร็จยา่าอยู่วังสภปทมอยู่วังคนละที่ดูง่ายอยู่คนละบ้านกับแม่พูดง่ายแต่สัปดาห์หนึ่ ง, ท, งทั้งๆที่พระองค์มีงานยุ่งสามพันโครงการงานยุ่งมากๆเลยทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีแต่สัปดาห์หนึ่งไปหาแม่สัปดาห์ละห้าวัน ไหนใครอยู่บ้านคนละหลังคนละที่กับพ่อกับแม่บ้างยกมือขึ้นเอาเงิลงสัปดาห์หนึ่งไปหาแม่สัปดาห์ละกี่วันโอ้ผมก็บอกหยาบคายถางอะไรถามเดือนละกี่วันยังอยาบคายอยู่อธิโจกับคนละจังหวัดน ะ, ะปีละกี่ครั้งปีละกี่วันปีละสามวันสามร้อยหกสิบห้าวันเราอยู่สามวัน ไม่ตามถึงกันแต่ได้หลวงไปหาแม่สามพันโครงการหนไปหาแม่สัปดาห์หาวันเราวิกี่โครงการตอนนี้อสองโครงการเยื่นมาเราจะมีเวลาที่ไหนไปหาแม่เราใช่ไหมนี่ไงเรามีแต่ได้ยินเรามีแต่ดูแต่เราไม่เห็นเราไม่เห็นในหลวงเราไม่ได้ฟังในหลวงในหลวงไปหากราบที่พระบาทสมเด็จยาอย่หัมเด้าอยูก็จะดึงพระองค์กำกอดมาหอม ทำไมลูกที่เป็นกษัตริย์รักแม่ได้ขนาดนี้งานยุ่งทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีในหลวงพองสมเด็จยาหอมระองพ์พระรปาะหอมพระพักตร์สมเด็จย่าเช่นเดียวกันดูสิ่งที่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทำให้เราดูเป็นตัวอย่างในการดูแลพ่อแม่สมเด็จย่าตรัส ก, กัาในหลวงว่าเธอชื่อภูมิปนแม่ก็คงจะสอนเราว่าเรานั้นอยู่กับดินกาลังแห่งแผ่นดิน พระองค์ทําตามในสิ่งที่แม่สอนทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับประชาชนดูแลประชาชนอยู่กับดินเลยเท่ากับประชาชนเลยแล้วการสอนลูกต้องเรียนแบบสมเด็จย่าเลยที่สอนในหลวงขออนุญาตใจ ส, สมัชสมเด็จย่าหน่อยนะเราจะเข้าใจง่ายตอนอยู่สวิตเซอร์แลนด์พระองค์อยากได้จักรยานเพื่อนฝรั่งคนอื่นเขาอยากเขามีจักรยานสมเด็จย่าบอก กเก็บเงินที่แม่ให้ไปซื้อขนมที่โรงเรียนใส่กระปุกไว้ที่ลูกในหลวงก็หยอดกระปุกทุกวันถึงปีใหม่สมเด็จย่าก็ชวนให้ทุกกระปุกออมสินแล้วให้นับ ด, ดูแล้วแถมเงินให้ก้อนเงินที่แถมให้มากกว่าเงินที่ในหลวงเก็บไว้เองอีกมีเมตตาให้เงินลูกแต่สอนให้ลูกรู้จักประหยัดและยืนอยู่บนขาของตัวเองเพราะความประหยัดเป็นสมบัติของเศรษฐีใช่ไหม นิสัยประหยัดนี้ติดตัวในหลวงไปจนถึงปัจจุบันนายแพทย์ท่านหนึ่งเอาหลอดอยาสีฟันพระองค์ไปจริงพระองค์ถามหากระตืหาหต้องหามาคืนในพระองค์ใช้ได้อีกห้าวันใช้แปลงเนี่จนหลอดนี้แบนตั้งแต่ไม่เลือสักวันเลยแล้วก็มอบให้กับทางตาแพทย์ท่านนั้นหลอดอยาสีฟันพระราชาทานให้ดูเป็นตัวอย่างว่าบุคคลระดับนี้สูงสุดในประเทศเรายังประหยัดขนาดนี้ แล้วเราจะไปสิ้นเปลืองทำไหนใครใช้เินแบงค์จะแต่แร น, นมากยกมือขึ้นเคยเอาแปลงรีบต่อไปจะตอบใครว่างไงนี่ทําแบบนี้เรียนแบบใครเรียนแบบไครเรียนแบบในหลวงโอ้โี่ไปเที่ยวเมืองนอกมาซื้อของแพงมากโอ้โหซื้อหมดเป็นแสนเป็นล้านโอยโอ้เยเงาที่ฟันเหลือครึ่งหลอทิ้งเลยเรียนแบบใครเนี่ยทำอย่านงนี้อ๋อเรียนแบบคนข้างบ่านเรียนแบบเพื่อนโมเดลเขารูปแบบเขาต่ํากว่าเราเยอะเราสูงสุดในประเทศแล้ว ยากหรืออยากไอ้ส่วนถ้าทับไปพระองค์ก็ให้คนไปแก้ให้หลวมหน่อยหลวงไปก็ให้กระชับหน่อยรองเท้าส่งไปซ่อมส่งไปซ่อมนะในหลวงกว่าสำหรับคนที่ประหยัดที่สุดในวังส่วนจินดานก็คือในหลวงฉันขอให้เรามาประหยัดประหยัดหมายความว่าใช้เงินอย่างเต็มที่แต่จําเป็นอ่าเราจะต้องจําเป็นอะไรเราใช้เท่านั้นแล้วก็มีเหลือเก็บเหลือใช้วันนี้เราได้ฟังธรรมาจากพระมหากษัตริย์ กันหลายเรื่องในเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงความกระตันยูหรือการมองแง่มุมในการแก้ไขปัญหาแง่ด้านแง่มุมดีๆต่างๆนะครับก็เราสามารถจะจดจำและนำไปไปฏิบัติได้อย่างดีเลยทีเดียวครับ จริงๆแล้วเนี่ยธรรมะของพระมหากษัตริย์นี่ที่เรารู้จักกันดีคือทศพิราชธรรมรท่านึกถึงธรรมะของในหลวงครับแก่จริงๆในหลวงนีมีธรรมะมากกว่าสิบข้อนั้นเยอะเลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นข้อครับซึ่งอาจรมาเองก็ได้บรรยายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำรวจพหมายได้ฟังด้วยโอดีมากเลยครับคุณผู้ชมครับถึงตอนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมได้หลับตาะระลึกถึงพระคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทูตพระองค์นะครับได้ปกครองแผ่นดินประเทศไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับ อะไรที่ทำให้ในหลวงของเราอยู่ในใจคนไทยได้ทุกคน know the king, but หลายครั้งเราเห็นในหลวงแต่เราไม่ได้เข้าใจพระองค์จริงๆหลายครั้งเราบอกว่าเรารับในหลวงแต่เราก็ไม่ได้ทำตามพระองค์เราจะไม่เพียงใส่เสื้อเหืองเขียนไปสนิยบัตระดับทธงทิวเราจะต้องทำตามที่พระองค์เป็นรูปแบบให้เราเรียนแบบ และพระองค์แนะนําเราทั้งโปว่าทั้งการกระทําที่พระองค์ทําให้เราดูเป็นตัวอย่าง why have to do this? And Why the king <t> ผมกำลังวิ่งโดยที่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต้อง <ผม S 2> <can S 1> วิ่งเฉลิมพระเกียรติผมแค่มาวิ่งเพื่อเข้าเซนัเท่านั้นหลายคนไม่เข้าใจนะใครซื่อเลยเข้มันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราต้องมายืนเรียน คน่นๆถึงดูมีความสนะานั่นทั้งที่พระองค์ียงแค่นั่งผ่านเราไปเท่านั้นขอโ me ครับข้อดีของชาวต่างชาติสงสัยอะไรก็จะถามเลยทําไมมีรูปของท่านอยู่ในทุกที่เลยมาดูคนบ้านเราสอบ <laughs> เป็นหน้าคิดถึงพี่ายเลยใช <laughs> ่ไหมโอ้คิดถึงบ้านเกิดเมื่อตอนนั้นเลยไม่มีความรู้ แต่จิตใจสุดยอดสูงส่งมากมีน้ําใจคนไทยเรายิ่งคนอินเดียร์ด้วยแล้วหรือภาคอื่นก็ดีมีน้ําใจอยู่แล้วไม่รู้ไม่รู้พลางบอกโอ้ยผมมาข้อใจแล้วครับผมบอกภาษาอังกฤษไหมล่ะครับไม่มีปัญหาคนไทยเรามีน้ําใจจออธิบายเลยไม่อิ้มมาละคำหนึ่งมาละความโรน้อยแปลกน้ําใจสูงแต่นึกไม่ออกอินมาแล้ะไม่เนี่ย อินยัวห้าอินยัวห้าอินโรชีปั๊มฝรั่งเข้าใจเลยเข้าใจลึกซึ้งเลยโอ้โหคําตอบคลาสสิกมากเลยเข้าใจไหมครับฝรั่งครับเข้าใจไหมครับโอ้พยักหน้าเลยอินโรชี้ปั๊มวันนี้หนูเข้าใจเราว่าอยู่ในใจคนไทยทุกคนเพือทุกคนถึงมีความสุขเพไม่หวงไม่เพียงแค่ผ่านออกไปแต่ทรงเห็นประชาชนของพระอง์ แค่ผ่านไปพระองค์มองเห็นพวกเราทุกคนเราทําความดีตอนนี้ใครก็ตามที่ทําความดีตอนนี้ทําประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติพระองค์มองเห็นเราอยู่เป้นใครอยู่ข้างหน้าทําไมเขาไม่วิ่งต่อไปเอาตัรอดมาเนี่ยเราวิ่งเสือกไปเทียนไม่ได้วิ่งเพราเห็นแต่ตัวไม่ได้ทํางานแต่คนเดียวใช่แล้วว่าวิ่งเฉลี่ยไปเทียน คนก็มาช่วยเขาแต่ในขณะที่เขายังวิ่งเองไม่ได้ทุกคนก็วิ่งมีจากเขาไปนหมดเลยหมายความว่าไงเขาช่วยเราแล้วหัวหน้าช่วยเราแล้วเขาให้โอกาสเราแล้วเราต้องไปเองก่อนในหลวงกลับบอกเลยโอวากุลหลวงบอกให้โอกาสคนสองครั้งแต่ยังให้ถึงสามให้โอกาสแล้วเราต้องเอาโอกาสที่เราได้ทหน้าที่เราให้ดีแต่เป็นการที่ทำให้คนไทย เรามองเห็นซึ่งกันและกันเราชื่นชมกั น, กนเราให้กำลังใจกัน <see> เราดูแลประชาชนเราทำหน้าที่แทนในหวงเองอยิ่งใหญ่นะทักท่านราอมการนึกสองครั้ง ชาตจีนมากเป็นของของเราถ้าครั้งในในชีวิตปู่ย็นแก่มาอกถ้าเจ้าหลิวหัวด้วยลายมือของคุณเองเน่อยยืน่มานปู่ปันหนีไปเที่ยวมาแล้วร้อยหกปีโอเย็นเราคุณจะเขียนว่าอะไรครับตาผ้าาไปซีเขียนได้ดีกว่าปู่อายุยืน ม, มากรอยเปีแล้วมี ก็ไงครับคุณคูคยังเกี่ยงในขอให้พระองค์อายุยืนขอให้พระองค์อายุยืนและไม่เฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลสำหรับร่างกายแข็งแรงในหลวงส่วนมากออกามาตามจังหวัดออกมาบ้านนอกบ้านนอกเราเนี่แเป็นส่วนใหญ่เลยมาหลายรัฐอายุสิบสองปีพ่อตาย อาศยอยู่ในยุ่งข้าวของเพื่อนบ้านตำบลวัวดงห่ามไกล ค, ความเจริญเธอตัดสินใจเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือเธอไม่อยากให้แม่ตายเด็กหญิงที่สิ้นหวังส่งกระดาษแผ่นเดียวที่ไม่มีสองไม่ได้จา่า ต้องตามทำเนียมเลนะไม่มีซอมม่มีแสดงไม่ได้จากหน้าถ้าเป็นเราจะสนใจหมไม่มีขั้นตอนเลยสู่ต้องบางโรงพยาบาลโอ้โหคนป่วยมีดปรับกลางหลังมาเลยสามเล่นโอ้ผมจะตายแล้วพี่เลือกเติมตัวอะไปกอกระเอียดก่อนจะจะกอกทําไมครับพี่เามีดผมไปกอกก่อนได้ไหมเนี่ยไม่จะมาขั้นตอนอะไรทักหนาข้ามขั้นตอนไปไปช่วยหนึ่ง รู้สึกอย่างนี้พระองค์60กว่าล้านคนเฉพาะที่ตรง น, นั้นต้องเป็นล้านคนาาเราจะมองว่าช่วทุกคนในประเทศไทยเรานี่มีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันอะไรที่ทำให้พระองค์อยู่ในใจคนไทยได้ขนาดนี้เข้าไปอยู่ในใจพวกเราทุกคน แม้ทั่ทงพวกเราก็อยู่ในใจของพระองค์นั้นที่ชาวต่างชาติคนนั้นบอกไม่ได้มองเห็นเพียงภาพของกษัตริย์แต่มองเห็นหัวใจของประชาชนชาวไทยทุกคนเพราะเราทุกคนก็อยู่ในใจพระองค์นั้นฉะนั้นขอให้เราภูมิใจนะงานเราอาจจะเหนื่อยจะหนักดูแลทั้งคนแก่ทั้งคนพิ ก, การทั้งเด็กดูทั้งตาบลความสะอาดความเรียบร้อยหน้าที่เราค น, นันเหนื่อยเหนื่อยยังไง เราก็เรียนแบบในหลวงของเราพระองค์ก็ทรงงานอย่างหนักและเหนื่อยเหนื่อยยิ่งกว่ากระกับใดในโลกนี้ได้มีโอกาสไปที่ตรงนี้บ้างยกมือขึ้นรู้สึกยังไงคุณโยมลืมใจไหมเอยพรอมันทรงพระเจริญเลยใช่ไหมคาเดียวในตอนนั้นิืมใจทุกคนอยู่ตรงไหนคุณโยมด้านหน้าอกกลางด้านหลังโอาจารย์ถามะละเอียดก็เกินจะมาทุกคนละเอียด ไปเราต้องพิสูจน์ว่าอยตัวไหนประมาณด้านหน้าอยู่ตัวไหนก็โยมไปต้องบอกกันมาแตมาจำหน้าโยมได้ทรงพระเจริญตอนนั้นถามหลายที่เขบอกพูดคำอื่นไม่ได้เลยตอนนั้นต้องพูดคำเดียวตะโกนเดียวแล้วมันออืจุกอยู่ในอกมันลื้มใจมากๆสมกับที่พระ บ, บรมเวลาโชว์บา้านนะพระธอมโอวาทของพระองค์ที่บอกว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระองค์ก็ได้ปฏิบัติธารมนั้นกระเท่าทุกวันนี้เราเองก็เช่นเดียวกันพะโยงเราจะทําหน้าที่โดยทําเพื่อโดยซื่อสัจสุจริตด้วยความรักที่มีต่อประชาชนด้วยความการุณาคือลงมธรรมด้วยความมุ่ิมายินดีที่เขามีความสุขด้วยอุเบกขาอดทนอดกลั้นต่อกิเลสต่อความโลภต่อความโกรธ ใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ให้บ้านเมืองเราดำเนินไปได้เป็นไปได้เราก็จะได้รับการยอมรับเชิเช่นกับที่พระบาทสม็พระเจ้าอยู่หัวในหลงของเรารได้รับจากพวกเราทุกคนทั่วประเทศ เพรนความสุขอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราล่ารวยมีเงินทองสุขสบายหลายครั้งคนไทยเข้าใจว่าความสุขคือไม่ต้องทาอะไรมีเงินทองมากมายทํางานให้น้อยที่สุดเบาที่สุดแล้วได้เงินมากๆนั่นเป็นความคิดที่ผิดความสุขที่แท้จริงมันมีมากมายหลายระดับเรามาเอาความสุขที่สูงส่งขึ้นไปเหมือนที่ในหลวงของเราจะองมีความสุข ทำไรในชีิของพระองค์ก็คือความสุขของประชาช น, นชาวไทยกงบอกว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะพัฒนาประเทศชาติมอบความสุขนี้ให้กับประชาช น, ทน โดยความรูรักสามัคคีเช่นเดียวกับพวกเราทุกทางทุกคนในหลวงเพนกลับว่าข้าพเจ้าเป็นพลเมืองคนหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายให้มีตําแหน่งตราบนั ja ้นข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ที่สุดข้าพเจ้าเป็นพลเมืองคนหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายให้มีตําแหน่งตราบนั้นข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สมบูรณ์ที่สุด ในหของพระองค์ที่รอพระองค์เป็นพลังเงินพลังสยองที่เด้รับมอบหมายที่มีตําแหน่งก็คือตําแหน่งข้าราชการซึ่งมีหน้าที่บำบัดทุกคําโลง่งสกงให้กับประาชาชนพระองค์จะทําหน้าที่นั้นให้สมบูรณ์เลยแล้วก็ชัดเจนประจักษ์แจ้งจากพกเราว่าพระองค์ได้ทำในที่พระองค์ตระทเอาไว้อยากให้ทุกท่านอยากแค่เห็นอยากแค่มองดูขอให้เราเข้าใจ เราแค่ได้ยินพระองค์ครับเราไม่ได้ฟังรเพราะการฟังได้ยินด้วยเข้าใจแล้วนาไปปฏิบัติด้วยหลายครั้งเราฟังคนนั้นคนนี้พูดเราแค่ได้ยินแค่ผ่านเข้าหูแล้วมันก็ออกไปเราไม่ได้ไปเราไม่ได้เข้าใจที่สําคัญเราไม่ได้นําไปปฏิบัตินั้นถึงเวลาแล้วตอนนี้ที่คนไทยทุกคนจะต้องฟัง ฟังอย่างมีพลังเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศตราเรื่องการบัญยาตธรรมะนะครับเกี่ยวกับธรรมะของพระหมหากษัตริย์ที่ท่านได้ฟังจากพระอาจารย์สมปองไปในวันนี้นั้นเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวส่วนเล็กๆเท่านั้นเองนะครับที่เราได้ รับทราบจากพระมหากษัตริย์ของเราซึ่งจริงๆนั้นมีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ธรรมะต่างๆที่เราได้รับทราบมาเนี่ยเป็นสามารถเป็นธรรมะที่เรานําไปปฏิบัติได้ครับไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมว่าทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะนําไปปฏิบัติหรือไม่นั้นนะครับและในปีนี้ที่เป็นบรโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามีประชนพรรษาครบแปดสิบพรรษาปมาภาพขอถวาพระพร ใหพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวรากายแข็งแรงสุขภาพภาพระไทยแจ่มใสดูเป็นร่มผัวร่มใสรองพวงชนชาวไทยตราดนานท่านาัขอต้อนพระพรโอ้ครับผมท่านพเมเกศครับใครที่ชอบการบรรยายธรรมะของพระอาจารย์สมปองนะครับอยากจะเก็บไว้ดูอีกครั้งหนึง่งอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือจะไปมอบกับคนที่เรารักให้เขาได้ชมเนี่ยนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากทีเดียวนะครับสามารถหาซื้อวีซีดีธรรมะดีเลเวอรี่โดยพระอาจารย์สมปอง ได้ที่ร้าน B2S นะครับ CS Book หรือแม้แต่ร้านของ Imagine ได้ทุกสาขาเลยทีเดียวหรือถ้าไม่ได้ไปร้านเหล่านั้นดูจากเบอร์รศัพท์ข้างล่างนะครับแล้วโทรมามาสั่งโดยตรงก็จะได้นะครับรายได้ส่วนหนึ่งนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะนำไปมอบให้วัดพระบาทนำพุครับเพื่อจะช่วยผู้ป่วยซึ่งติดเอสนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการทำบุญได้สองต่อเลยทีเดียวนะครับ ต้องขอกราบนัมัสการขอบพระคุณนะครับพระมหาสมปองเป็นอย่างยิ่งครับที่กรุณามารยายธรรมะให้พวกเราได้ฟังนะครับชีวิตที่ไม่มีธรรมะคือชีวิตที่ไม่มีธรรมชาติความเป็นไปนะครับฉะนั้นชีวิตที่มีธรรมะจะช่วยได้เยอะทีเดียวครับสวัตติกัดสําหรับการฟังธรรมะวันนี้นะครับในข้อทิพเราได้รับจากตัวอย่างของพระมหาสัตว์คือเรื่องของ เราจะทําโดยเฉพาะการทำความดีความซื่อสัตย์ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการทํางานเนืองจากองค์กรเราเป็นองค์กรที่ให้บริการแก่ประชาชน อ, อย่างที่ได้ท่านอาจารย์ได้นําเสนอให้แก่พวกเราการอบรมในวันนี้ได้บรรยายทํามวันนี้ทําให้ภาพชัดเจนขึ้นว่าในการที่เราจะบริการประชาชนเนี่ยนอกจากเราทํา เช่นเดียวกับพระองค์แล้วเนี่ยที่พระองค์ได้ไม่ทรงเหนื่อยต่อพระบรรการในหานะที่พวกเราเนี่ยเป็นค่าบริพารนะครับในฐานะเป็นค่าการสนท้องจิ่นนะครับก็ควรที่จะยึดหลักเช่นพระองค์นะครับทึ่งใช้ประชาชนนะครับเป็นที่ตั้งในการทำงานเป็นเป้าหมาย เกี่ยวกับการทํางานนะคะได้รูปแบบได้ต้นแบบจากพระมหากษัตริย์นะคะในการทํางานนะคะเพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขที่มีความอดทนโดยใช้หลักธรรมขันติไม่ว่าจะฝนตกแดดออกร้อนหรือหนาวนะคะท่านก็ทรงสเสด็จพระราชดําเนินได้เพราะฉะนั้นนะคะเราชาวเทศบาลหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะต้องอดทนโดยใช้หลักขันตินะคะ หัวข้อที่ประทับใจนะันคือประทับใจทุกหัวข้อแต่ว่าที่เน้นมาใช้มากที่คือก็คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็คือความไม่โกรธค่ะ